ทุกท่านที่มาจากสถานที่ต่างๆมุ่งหน้ามาเพื่อปฏิบัติตนเองทะนั่นเจต น, นาที่ตนได้ตั้งไว้อย่างไรโปรดได้สำนึกเสมอ เจตนาที่ตั้งไว้เป็นหลักสำคัญและเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเรามาให้เสยจากหลักซึ่งตนได้ตั้งไว้อย่างใดตนเองเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นใดทางนั้น ยืนเดินนั่งนอนขอให้สำนึกถึงเรื่องของตนเองเสมอไปเรื่องทั้งหมดจะเป็นเรื่องนอกเรื่องในต้องเป็นเรื่องตนเองเป็นผู้สนใจรับรู้ทั้งสองเรื่อง การปฏิบัติต่อตอนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเฉพาะนักบวชของเราแล้วยิ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคนเราที่ทำตนให้เสียและปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากการดื่มตนเองคือดื่มเรื่องของตนเองเรื่องก็คือความรู้ซึ่งเป็นเจ้าเรื่องทั้งหลายความรู้หมายถึงใจผู้ครองร่างอยู่นั้นบัดนี้เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าความรู้นี้ได้พลากจากร่างนี้แล้วความหมายของร่างนี้จะไม่ปรากฏดีชั่วอย่างไรต่อไปอีกเลยเรื่องการปรับปรุงจิตใจให้มีความมั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็นความชอบ และรู้วิธีระมัดระวังรักษาตนเองไม่ให้สิ่งที่ชั่วเข้ามาแทรกสินได้ก็เนื่องจากการรักษาใจเป็นของสำคัญโลกเขาผู้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์หรือมีพอ อยู่พอกินพอชายพอสอยเนื่องจากการปรับปรุงจิตใจของตนให้มีหลักฐานทั้งนั้นถ้าปรอยใจให้เร่รอนไปทำความอยากของตนแม้จะสร้างโลกสงสารก็ไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาะการทำมาหาเี้ยงขีพ ไม่เป็นปึกแผ่นแน่นนะสมบัติเงินทองเข้าของทุกๆชิ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการทำตามอำเภอใจคนที่ตังต้งากตั้งฐานประพฤตตนเป็นคนดีมีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งนี้ล้วนแล้วตั้ง แต่การปฏิบัติต่อใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าใจได้มีรากฐานเพราะการฝึกฝนอบรมตนเองจะปฏิบัติต่อกิจการงานใดๆซึ่งเป็นกิจที่ชอบแล้วยอมจะสำเร็จประโยชน์ไปจากขึ้นมาโดยลำดับ ผู้ที่ตั้งตัวไม่ได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะการมองข้ามจิตใจซึ่งเป็นตัวสำคัญนี้ไปเสียใจที่มีแต่ฝ่ายชั่วชุดลากไปจึงเป็นเหตุให้ ชักนำกายวาจาเฟไปจากหลักความดีแล้วตั้งตนไม่ได้กลายเป็นคนหลักลอยและทำตัวเป็นคนเสียหายมีจำนวนมากก็เพราะเหตุแห่งการปราศจากการอบรมจิตใจให้รลักฐานเพราะฉะนั้น การอบรมใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในบุคคลคนหนึ่งคนนั้จึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งเราจะเห็นง่ายๆเหมือนอย่างผู้ปกครองของเด็กส่งเด็กเข้าโรงเรียน แต่อายุยังเล็กๆนี่ก็เพื่อจะให้เด็กมีความรู้วิชาและดัดแปลงจิตใจของเด็กไม่ให้เป็นไปตามอำเภอใจจนเด็กมีความเคยชินต่อนหน้าที่การงานของตนตามฐานะของเด็กแล้วเด็กก็มีความรู้วิชาและรู้วิธีปฏิบัติต่อตอนเองเป็นชั้นๆไป เมื่อเด็กกลายขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เด็กก็มีความรู้วิชาและมีหลักฐานทางด้านจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการอบรมจากพ่อแม่และผู้ปกครองทางโรงเรียนคนที่มีใจรอยและไม่มีความรู้วิชาไม่เคยเห็นเขาให้ไปเป็นหัวหน้า ในหน้าที่การงานใดๆทั้งนั้นเรียกว่าคนประเภทนี้หากว่าไปเป็นหัวหน้าในแผนกงานใดๆย่อมจะทํางา น, นนั้นๆให้เสียและคนในวงงานนั้นๆย่อมจะเสียไปด้วยผลที่จะพึงปรากฏไม่ค่อยมีนอกจากจะทําวงงาน น, นั้นๆให้เสียไปเท่านั้น นี่เพียงเท่านี้เราก็พอจะทราบได้แล้วว่าการอบรมจิตใจให้มีรากฐานแต่ต้นมือหรือแต่ต้นทางเป็นของจำเป็นทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะเห็นดังพ่อแม่ของเด็กอบรมแนะนำสั่งสอนเด็กในบ้านด้วยทรงให้ครูในโรงเรียนช่วยสอนให้บ้าง และได้รับการศึกษาะเรียนเป็นลำดับลาดับจนตั้งแต่เด็กถึงเป็นผู้ใหญ่ล้วนแล้วตั้งแต่การอบรมเด็กให้มีความรู้วิชาและมีสมบัติผู้ดีประจำตนทั้งนั้น การอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นี่เมื่อย้อนเข้ามาในทางศาสนายิ่งเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอบรมจิตใจ I, ที่เป็นรากฐานสำคัญในศาสนาเฉพาะเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเพิ่มปริมาณ ความเข้มแข็งในการฝึกฝนพรมานตนให้ยิ่งกว่าทางโลกเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีเพราะผู้ที่ทรงศัสนาก็คือหนึ่งจะทำตนให้เป็นผู้มีความร่มเย็นตั้งแต่ต้นจนถึงความร่มเย็นอันสุดยอดด้วย จะทำตนให้เป็นที่ร่มเย็นแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องด้วยและจะเป็นผู้นำสมบัติคือพระศาสนาอันล้ำค่านี้ <c oughs> เพื่อแก่ายแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายผู้ได้รับถ่ายทอดไปแล้วให้ได้รับ โดยถูกต้องด้วยนี่เรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะฉะนั้นโปรดได้คำนึงถึงเรื่องของตัวเป็นอัดนดับหนึ่งเมื่อสมควรมีกำลังความรู้วิชาชเฉลียวฉล า, าด มีความสามารถเรื่องตนออกจากอุปสรรคทั้งภายนอกภายในได้เป็นชั้นชั้นและสามารถเรื่องตนให้หมดจากมนทินทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราเป็นผู้ทําตนให้มีความร่มเย็นอย่างเต็มที่ด้วยและจะเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแก่โลกอย่างเต็มที่ด้วย นอกจากนั้นมะระดกบรรดาประชาชนที่มารับการถ่ายทอดจากเราจะได้ของดีไปใช้จะได้ของดีไปเป็นประโยชน์และถ่ายทอดให้ลูกเต้าหลานเหลนเป็นลาดับลำดับไปกลายเป็นของดีไปตลอดกาลเพราะของดีออกจากคนที่ดี คือเราเป็นผู้สามารถทําตนให้เป็นคนที่ดีเด่นในตัวเองด้วยแล้วสามารถทําบุคคลอื่นให้รับความดีประจักษ์กับใจของเขาด้วยหรือเรียกว่าทําตนให้เด่นในตนด้วยให้เด่นในหมู่ชนด้วยนี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ประทานพระโอวาทไว้ สำหรับเราผู้เป็นสิทธิ์ของพระธาคตโปรตได้ยึดร่องรอยของพระพุทธ เ, เจ้าไว้โดยดีร่องรอยที่พระองค์ทรงได้วางไว้หรือได้เหยียบไว้ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง มีความสม่ำเสมอทั้งการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทาง จ, จิตใจไม่โคดโค้งเอียงไปสู่สองภาคทางอันเป็นทางให้ผิดจากหลักมัชชิมาพระพุทธเจ้าได้ทรงเหยียบร่องรอยไว้เป็นมัชชิมา เราผู้ปฏิบัติตามร่องรอยแห่งมัชชิมาของพระองค์เจ้าแล้วเราจะปรากฏเป็นมัชชิมาคนหนึ่งในตัวของเราคือในกายในวาจาและในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเป็นศาสดาของโลกโปรดได้ทราบว่าไม่ได้มาปรากฏ จากสิ่งใดๆทั้งนั้นนอกจากหลักมัทิมาหลักมัทิมาเป็นสิ่งสำคัญสามารถจะผลิดพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นาศาสนาของโลกได้และสามารถจะผลิดบรรดาสาวกที่มาศึกษาจากพระองค์ท่านให้กลายเป็นสาวกอรหันขึ้นมาได้ ลวนแล้วตั้งแต่ออกจากหลักมัตถีมาทาั้งนั้นเป็นธรรมเครื่องผิดบุคคลผูท้ทั้งๆที่มีจีเลศหนาปัญญาอยากจนสามารถเป็นผู้หมดจิเลศอาสวะไปได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเครื่องซักพอกหรือเครื่องผิดคือมัตถิมาได้แ่ศีล สมาธิปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดลงที่นี่ซึ่งเป็นหลักสำคัญคำว่ามัชชิมานีอย่าคิดไปทางอดีตว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านตรัสรู้ไปแล้วมัชชิมานีจะสลายตัวไปอนาคตข้างหนา้าผู้ที่จะมาตรัสรู้จะไม่มี เพราะมัชชิมานี้สลายตัวไปแล้วแม้ปัจจุบันนี้มัชชิมาก็ไม่ปรากฏอย่าไปคิดเช่นนี้เป็นความเข้าใจผิดและผิดจากหลักแห่งสวัสดคตธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยคำวสวัสวิคาตธรรมก็หมายถึงมัชชิมาธรรมนี่เองไม่ได้นอกไปจากมัชชิมานี่เลยรับชอบรับไม่ผิด ผู้ปฏิบัติตามมัชชิมาแล้วกลายเป็นมัชชิมา ข, ของบุคคลนั้นขึ้นมาฉะนั้นจึงไม่ควรจะคำหนึ่งถึงเรื่องอดีตอนาคตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ผ่านไปแล้วขอให้เทียบอุปมาขอเทียบอุปมาใกล้ใกล้ให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเช่นเดียวกับของที่สำเร็จรูป มาจากต่างประเทศก็ดีจากภายในประเทศก็ดีที่เข้ามาสู่ร้านตลาดหรือท้องตลาดให้บรรดาท่านผู้มีความต้องการด้วยสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นหาซื้อมาใส่ร้านหรือใส่ห้างของตนสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะผลิตออกมาจากห้างใด จากโรงงานใดจากประเทศใดก็ตามเมื่อสินค้าได้ออกมาจากโรงงานนั้นๆแล้วอย่าเข้าใจว่าโรงงานนั้นๆได้คิดหายไปจากสินค้าโดยทันทีโรงงานเป็นของมีอยู่ประจำเช่นนั้นสามารถจะผลิตสินค้าออกมาจากโรงงานนั้นๆได้มากมายก่ายกองไม่มีวันสิ้นสุด ข้อนี้มีประมาณฉันไหนมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเปรียบเหมือนโรงงานของพระพุทธเจ้าสำหรับผิดบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้เป็นคนรู้คนขลารู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษเป็นเบื้องตน้น แล้วสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในจิตใจของตนปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นมาสำเร็จมาจากโรงงานคือมัชชิมาทางนั้นแล้วโรงงานคือมัชชิมาจะสูญชาตไปที่ไหนเล่าเมื่อเทียบกันกับโรงงานแห่งสินค้าแล้ว ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันภูไดสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสวขาตาธรรมที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นจะปรากฏผลคือสินค้าขึ้นประจักษ์กับใจของตนเองเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ผลชิ้นแรกจนกระทั่งถึงผลอันสูงสุด คือวิมุตตพระนิพพานจะปรากฏขึ้นจากโรม ง, งานคือมัชชิมาได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้ทางนั้นฉะนั้นคำามัชชิมาปฏิปทาเมื่อพระองค์ท่านได้แสดงให้ใครฟังผู้ฟังได้รับรู้จากมัชชิมาผู้ที่รับฟังหรือนับรู้นั่นเองเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตนตามมัชชิมา เมื่อปฏิบัติตนตามมัชชิมาแล้วผลที่เกิดขึ้นจากมัชชิมาที่พูนนั้นๆจะได้รับนับตั้งแต่ผลเบื้องตน้นจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดจะเกิดขึ้นจากผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ผิดเองให้นับสเสมอผลตั้งแต่ตน้นจนถึงผลอันสุดยอดท่านี้บรรดาเราทั้งหลาย ที่เป็นลูกศิษย์พัฒนาคตได้ยินได้ฟังเสมอในเรื่องธรรมมัชิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาและก็ได้ปฏิบัติอยูน่น้นบัดนี้ผลคือสินค้าที่ผลออกมาจากศีลสมาธิปัญญา ทำไมจะไม่ปรากฏสำหรับพวกเราทั้งหลายเรานอกจากว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีความชฉลาดปฏิบัติต่อตอนเองให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวขาตธรรมอันเป็นโรงงานอันใหญ่ของพระพธิเจ้าที่ทรงประทานไว้แล้วเท่านั้นธรรมศีลท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วทุกท่านอะไรเป็นศีล กายวาจาเป็นเครื่องประกอบที่จะทำศีลให้เป็นสมบัติของใจการปฏิบัติชอบด้วยกายไม่ผิดข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วการพูดทางวาจาให้ถูกต้องตามหลักแห่งบุคคลผู้มีศีล นี่ผลจะปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นแก่ใจของตนเองมีเรียกว่าผลเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจให้รับความชุ่มเย็นเบิกบานมีเรียกว่าสีสมาธิคือความเย็นของใจนับแต่ได้เริ่มต้นฝึกขัดจิตใจของตนจะด้วยบทธรรมบทใดก็ตาม ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติจนจิตใจของตนซึ่งเคยฟุ้งเฟอ้เอเหอ่อเหิมมาเป็นประจำนิสัยกลายเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นด่งลงสู่ความรู้สึกตนเองโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆนี่ปรากฏเป็นผลคือความร่มเย็นขึ้นมาแล้ว นี่ท่านเรียกว่าสมาธิจะเป็นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาในหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมผู้นั้นสมาธิยังมีหลายชั้นเราได้ผลประจักษ์ในความสงบเบื้องต้นปรากฏเป็นสมาธิเบื้องต้นขึ้นมาพยายามฝึกฝนอบรมจิตที่มีความเลือกเย็นนี้ จนมีความเชื่องขินต่อความสงบของตนเองแม้ที่สุดจิตจะถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วจะคิดอ่านเรื่องจิตการงานที่ชอบอะไรก็ตามความสงบที่เป็นภาคพื้นอันได้รับจา ก, กจิตที่ลงเป็นสมาธินั้นย่อมมีประจักษ์อยู่กับใจเสมอ ไม่เคลื่อนค่าจากความสงบเยือเกเย็นภายในใจทั้งๆ ท, ที่มีความคิดความปรุงได้อยู่นี่ขันก็เรียกว่าความสุขของใจเป็นความสงบท่านหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากความสงบของจิตที่ตั้งตนลงเป็นสมาธิเมื่อพยายามอบรม สมาธิประเภทนี้ให้มีความเคยชินต่อความสงบให้มีความเคยชินต่อบทธรรมที่ตนพิจารณามีลมหายใจเป็นตน้นทำได้มากเท่าไรความสงบจะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความสงบในขั้นนี้ ขึ้นสู่ความสงบเสมอไปเรื่องของปัญญาก็พอมีทางจะพิจารณาเพราะจิตใจมีความอิ่มด้วยอาหารคือธรรมะได้แก่ความเยือกหยิดเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจใจไม่โลดเต้นเพนกระโดดวอกแวกคอนแทรนหาอาหารโดยมากคืออาหารที่เป็นพิษ เข้าไปสังหารหัวใจใจเมื่อได้รับอาหารที่ถูกต้องคือธรรมเป็นเครื่องห่อเลี้ยงแล้วจะมีความเยือกเย็นและเป็นสุขภายในใจแล้วจะคิดพิจารณาทางด้านปัญญาไกลกลางดูอายชนะตาหูจมูกกินกายใจของตนเองก็พอมีทางจะรู้เรื่องรู้ราว ของสิ่งเหล่านี้บ้างและจะพิจารณาอาการแห่งกายส่วนใดหรือทั้งหมดก็ตามท่านกล่าวไว้ว่าอ น, นิจจังก็จะพอเป็นทางว่าทุกครั้งก็พอจะรู้เรื่องบ้างว่าอนัตตาก็จะประจักษ์กับใจของเรา ที่มีความสงบเป็นต้นทุนอยู่แล้วยิงนำไตรลักษ์ที่มีประจําอยู่ในสันาพางร่างกายทั้งเหล่านี้เป็นเครื่องทดสอบกับกจิตเสมอให้จิตเห็นเรื่องของทุกขังอนิจจังอนัตตารอบด้านอยู่ภายในกายภายในใจตลอดเวลาแล้ว ปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกันกับมีดพระยิ่งจะมีความเกล้วกล้าสามารถเห็นชัดในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีประมาณนับแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดต้องอาศัยไตรลักษณ์นี้เป็นหินลับทั้งนั้นไตรลักษณ์ทั้งหมดนี้ ตามธรรมดาย่อมเป็นค่าศึกต่อคนโง่แต่ก็กลายเป็นคุณของผู้มีความฉลี่สามารถพิจรารณาไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ด้วยปัญญาเลยไตรลักษณ์ทั้งสามนี้กลับกลายมาเป็นหินลับของผู้มีปัญญานั้นให้ข่มกล้าและกลายเป็นมันไดหรือหนทางให้ผู้มีปัญญานั้นได้เหยียบย่ำํำลึก ก้าวตนขึ้นสู่ธรรมท่านสูงเสมอไปขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้ทราบไหมอย่างนี้เรื่องของสมาธิจกเกี่ยวเนื่องกับเรื่องปัญญาเป็นอย่างนี้ไปเพราะสมาธิเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจให้มี ความเยือกเย็นเป็นสุกไม่วอกแวกคลอนแคลนเมื่อก้าออกสู่ปัญญาก็เป็นปัญญาก้าออกพิจารณาอะไรก็เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งนั้นๆเห็นเหตุเห็นผลมากเท่าไหร่ความละเอียดของใจความสบายของใจความเบาของใจก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นและก็สอถึงเรื่อง ขวัญขวายที่เราจะต้องทำด้วยปัญญาก็ตามด้วยสติก็ตามโดยทางความเพียรให้มากมูลขึ้นเป็นลำหับเรื่องายรักษ์กับกายกับจิตของเราเลยเป็นเครื่องสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนตื่นเดินนั่งนอน ทำที่กล่าวมาทั้งหมดคือไตรลักษณ์นี้เลยกลายเป็นกณญยาณมิตรของปัญญาปัญญาจะต้องท่องเที่ยวอยู่กับสิ่งหนึน่หรือเป็นทางเดินของสติกับปัญญาท่องเที่ยวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนผ่านไตรลักษณ์เป็นชั้นๆเข้าไป นับแต่ไตรลักษณ์ส่วนหยาวคือส่วนรูปประกายทั้งข้างนอกข้างในถึงนามธรรมาคือสิ่งที่รู้ด้วยใจแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตามีท่านเรียกวันนามธรรมาปรากฏแต่ชื่อตัวไม่มองเห็นเพราะไม่เป็นด้านวัตถุมีปัญญายังสามารถพิจารณาได้ เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยมีทั้งทางกายและทางจิตใจปัญญาสามารถพิจารณารู้ได้จะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยเฉยอันเกิดขึ้นจากทางกายและทางใจก็ต่างจะนี้รับต่อปัญญาผู้รับหินคือตรายักษ์อยู่เสมอไปไม่ได้เมื่อปัญญาที่ได้รับ ความอุดหนุนมาจากสมาธิมีกำลังแก้วกล้าขึ้นไปเท่าไหร่สมาธิก็ยิ่งเป็นธรรมหนุนขึ้นเป็นชั้นๆสมาธิก็กลายเป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นไปตามปัญญาปัญญาก็กล้าตัวขึ้นไปสู่ความละเอียดสามารถจับที่จารณารู้ได้แม้กระทั่งอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิต มาไม่รู้กี่กับจนไม่สามารถจะนับได้ให้รู้แจ้งแทงตลอดและหมดเช่นไปจากจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิพุทโธขึ้นมานี่เป็นมัชชิมาส่วนผลมัชชิมาส่วนเหตุได้แจ่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือสักวอก ผลปรากฏขึ้นเป็นพุทโธอันบริสุทธิ์เด่นดวงขึ้นจำพอใจกลายเป็นมัชฌิมาส่วนผลโดยหลับธรรมชาตินี่พระพุทธเจ้าเราจะไปหาพระองค์ท่านที่ไหนสามกอศหันจะไปหาไปหาท่านที่ไหนถ้าเราหาเราไม่เจอ เราก็หาพระพุทธเจ้าพระอริยสังฆ์เจ้าหรือพระธรรมไม่เจอถ้ารนหาในวงมัชชีมาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นทรงหามาก่อนและสาวกได้ค้นได้หามาก่อนจนประสบผลเป็นที่พึงพอพระทยัยเราก็ค้นลงในมัชชีมาที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้มีเต็มอยู่หน้ากายและจิตใจของเราณบัดนี้ ให้เต็มความสามารถแล้วเราก็จะเห็นพุท ธ, ธะขึ้นที่ใจของเราโดยหลักธรรมชาติเห็นธรรมะที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นที่ใจอันบริสุทธิ์ของเรา้าเห็นสังฆะคือเราเองเป็นเจ้าของแห่งพุท ธ, ธะกับธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นขึ้นภายในใจของเราแล้วเราจะหลงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ที่ไหนเรา เราก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในหลักธรรมชาติอันนั้นเองคือความบริสุทธินั้นนี่แหละที่ว่าโรงงานสำหรับผิดคนมีีิเด็ดหนาปัญญายากให้กลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาเป็นชั้นๆจนสามารถถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ คือวิมุติพนานได้จากมัชชิมาคือศีนสมาธิปัญญาอันเป็นโรงงา น, นเรียกว่าโรงงานมัชชิมาขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในจิตใจย้อนเข้าสู่วงปัจจุบันคือหลักมัชชิมากายวาจาใจประพฤตให้ชอบจิต อบรมในหลักธรรมหรือด้วยหลักธรรมให้ดีปัญญาปเป็นเครื่องจับพิแกรณาให้เป็นหน้าที่ของท่านนักปฏิบัติจะนำมาใชา้นำมาไก่กรองทั้งส่วนหยาบจะเป็นงานภายนอกงานภายในงานส่วนกลางงานส่วนละเอียด ยาให้สติกับปัญญานอนเค้งอยู่เฉยๆโปรดได้นำมาใช้ในกิจการนั้นๆสติกับปัญญาจะเมื่อได้รับการบำรุงจากการนำมาใช้ของตัวเองแล้วจะกลายเป็นสติกับปัญญาที่แกวกระขึ้นมาเป็ น, นำลำานับแล้วสามารถจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมา จากนั้นแล้วก็กลายเป็นมหาจติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นมาในตนเองจากสติปัญญาอันลม้มลุกคลานที่เราพยายามฝึกฝนดิบนาบัติโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นโปรดให้หาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เจอในลักมในหลักมัชชิมา ที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาของเราเราจะได้เห็นหนึ่งเห็นพุทธะที่บริกจุดขึ้นภายในใจของเราอันเป็นสมัติของเราแท้สองธรรมะที่บริสกจิ์ที่เรียกว่าธรรมโมปดีโปความสว่างกระจ่างแก้งแห่งธรรมที่หมดมลทิ น, ค, นคือกิเลสทั้งหลายทั้งส่วนหยาสองกลางส่วนละ สจะเห็นสังโคผู้ทรงไว้ซึ่งรรมทงงรร ม, รรมทั้งสองทมอัศจรรย์ทั้งสองนี้ได้แก่ตัวของเราสี่จะได้เห็นพุทธธรรมสงที่แท้จริงในบทธรรมที่ว่าโยธรรมังปะสะติโซมังปะสะตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่า mm. เห็นเหล่าตถาคตจะปรากฏขึ้นในมโนทวาลของนักปฏิบัติทุกๆท่ททาน ด้วยอำนาจแห่งความภาคความเปลี่ยนของเราโดยไม่ต้องสมใจฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมโอเทสนานีขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าพร้อมตั้งประธรรมและประสงค์จงดลบันดาลให้บรรดาทุกท่านเพียอุตสาพยายามแหบกว่ายมาอบรมตนเองด้วยความตั้งอกตั้งใจให้สาเร็จผลประโยชน์ ตามความอุหมาตปรารถนาของท่านทั้งหลายทุกท่านเชิญ